แนะนำบทอชุรอบทนี้เป็นบทมักคิยาะมี53องค์การบทเริ่มโดยการกำหนดแหล่งที่มาของวะฮีองค์การจากพระเจ้าและแหล่งที่มาของสารอัลลอก์เป็นผู้ประทานวะฮีให้แก่บรรดา น, นาลลและบรรดารอซูลพระองค์คือผู้ทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อทำหน้าที่เผยแร่สารของพระองค์เพื่อที่จะนำมนุษยชาติออกจากความมืดมนแห่งการตั้งาที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 นนันแหละได้มีองค์การมายางเจ้าและยังบรรดาศาสนทูตก่อนหน้าเจ้าอัลลอฮผู้ทรงเดชะนุภาพผู้ทรงปรีชาญาติแล้สิ่ด้งทีงเยู้ในผรงนทรนู้นผ้น้งเป็น้ทงรงเปูงนผู้ทรงเปผนผูนผู้ทรงน้งนงเป็นทรงเปูงนรร้น้งทูนผนนน้นเป็นทงรง ลงเป็นผู้ทรงงสู่านฟ้าจำหลายแทบจะพังทาลายลงมาจากเบื้องบนของพวกมัน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 และบรรดาผู้ที่ยึดถือเอาผู้คุ้มคอรองอื่นจากพระองค์นั้นอัลละฮ์ทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่และเจ้าไม่ใช่พูดดูแลคุ้มครองพวกเขา。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 และไมม่่ีผู้ชออ เ, เลลหววหชหรือว่าพวกเขาได้ยึดถือเอาคนอื่นจากพระองค์เป็นผู้คุ้มครองตวาวล้อคือผู้คุ้มครองและพระองค์คือผู้ทรงให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีก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 คุณแจนการควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและผ่นดินเป็นสิทธิของพรงพรงสงค์เพิ่มพูดปัจจัยยังที่แก่ผู้ที่พรงสงค์ประสงค์และสงให้ครับแค่บถ้าจริงพรงสงค์รอบรู้ทุกสิ่งชราละคุมมินดีนมาวัสซาดีนูหวัลมดีเอาหายนาอิไล่ وما وصينا به إبراهيم وموسى و ي س َ ا ق أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه كبر على المشركين ما تجرم إليه ل ل l ه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من พระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นูฮะและที่เราได้องค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบราฮิมและมูสาวและอีสาวา่าพวกเจ้าจงดำรงศาสนาไว้ให้มั่นคงและอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนาแต่ประเดิ่งใหญ่แก่พวกตั้งภาธีที่เจ้าเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้นอลัลลอฮ์ทรงเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และสรงชี้แนะทางสูーー่พระองแก่ผู้ที่กลับตัวสู่พระอง بَيْنَهُمْ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 และแท้จริงบรรดาผู้ที่รับมรดกคำพีนี้หลังจากพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยแคลงใจเกี่ยวกับคำพีนั้นอยู่บ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 พึงรู้ถนว่าแท้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องวันอวสานนั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างไกลลิ์อัลลอฮฺเลตีฟุบิ ع บาดิฮิยะรซุกเมียยะ ش า وهو القوي ا ل อ ز ี ز อัลลอฮเป็นผู้ทรงเอนดูต่อพวงบ่าวของพรุงทรงประทานปัจจัยอย่างชี่แก่ผู้ที่พรงทรงประสงค์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 ت ر ا ل ض ِ من ي م ش ِ ق ي ن مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنة لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الخير الكبير.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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه هجرًا إلا المودة في القربى وَمَن ي َ ق ت َ ر ِ ف حَسَمَةً ن ز ِ د لَهُ فِيهَا حُسْنًا إ ِ ن ا ل ل َّ ه غ َ ف ُ و ر ش َ ك و ر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 หรือว่าพวกเขากล่าวว่าเขา Muhammad ไดอุปโลกความเพีให้แก่ Allah ดังนั้นหากล l l a h ทรงประสงค์ปรุง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 และทรงอภัยจากความผิดทั้งหลายพระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ د د. และพระงทรงตอบรับการวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและพระองค์จะทรงเพิ่มทูน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 แต่สิ่งที่มีอยู่ณนะที่อัลลอฮ์นั้นดีกว่าและจีรังกว่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามอบหมายแต่พระผู้อภิบาลของพวกเขา้าและบรรดาผู้ที่หลีกเลี่ยงการทำบาปใหญ่และการทำลามกแต่เมื่อพวกเขาโกรธพวกเขาก็อภัยให้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 และบรรดาผู إ أ ้ที่เมื่อมีความอาุติธรรมเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็แก้แค้นตอบแทน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 หลังจากได้รับความอาธรรมชนเหล่านั้นจะไม่มีทางตำนิดพวกเขาได้เลยส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อมนุษย์และก่อความเสียหายเกิดขึ้นในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรม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 و َ ت َ ر َ ه ُ م ْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ا ل د ُّ ل ِ ي َ ر ُ ر ُ و ن َ مِنْ طَرْفٍ خ َ ف ِ ي ٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خ َ ص ِ ر ُ و ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ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 จะไม่มีทางกลับไปสู่ทางนําได้จงตอบรับก า, า ah. um ja um ร, ราเรียกร้องจากพระผู้พิบาลของพวกเจ้าเถอดก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึง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 ن ن แต่ถ้าพวกเขาผลินหลังให้ไม่ยอมรับการเรียกร้องดังนั้นเราไม่ได้ส่งเจ้ามายังพวกเขาเพื่อเป็นผู้คุมค้มครองหน้าที่ของเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากการเผยแพร่เท่านั้นในแท้จริงถ้าเราจะให้มนุษย์ลิมรสความเมตตาจากเรา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 ลลลลและไม่เป็นการบางควรแก่มนุษย์คนใดที่จะให้อัลลอฮตรัสแก่เขาเว้นแต่โดยทางวาฮีคือการประธานองค์การหรือโดยทางเบื้องหลังมานหรือโดยทางที่พระองค์ทรง ส่งพูดมาแล้วเขามาะลักก็จะนํว่าหีมาตามที่บรงทรงประสงค์โดยอนุมัติของโรงุมถ้าจริงปรุงเป็นผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงปริชายานวกเดลิก็เอาไหนาอิัยก็รู้หันมินอันรินา ت ت และเช่นนั้นแหละเราได้องการอัลกุรอานแก่เจ้าตามบัญชาของเรา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 อ لا لا คือทางขออัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์งผู้ทราบเผนว่ากิจการทั้งหลายย่อมกลับไปสู่อัลลอ์